الرح อฮ์อัลลอฮ์อัล ل ل ه ر ب العالمين الله مص ั و, و س อฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์ ن ัลล ا ฮ์อัลลอฮ์อัล ا อฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอ ي ์อั ا ل l a h u m ف ع, ع ن ف ع ا بماعلمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم توفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة نعيلنا من أمرنا رشدا الحمد لله شكر to ل l l سبحانه وتعالى نقرأ مريم سورة الشورى ال الش นะครับ Yangliak อ่ย uh, uh, ังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับอิชอัลลอฮ์เรียนได้นะครับเรื่อยๆศึกษาไปเพื่อที่จะดูว่าอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى พยายามที่จะบอกอะไรกับเรานะครับผ่านอายะห์ของพระองค์ได้ถอดบทเรียนอะไรเอามาใช้ในชีวิตของพวกเราได้เพิ่มความรู้ได้เสริมปุ่มคุ้มกันของเราไปว่าอยู่กอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى วันนี้เราจะเริ่มอ่านตั้งแต่อายะห์ที่ยสบเอด น่าจะยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองแล้วก็ยี่สิบสามนะถ้าทันยีนะ่สิบสี่อ่าถ้าทันก็เอายี่บสี่ด้วยเดี๋ยวเราอ่านจนถึงยาวไหมไหมถ้าสีอายัดอ่านทั้งหมดเลยเอาแค่สองร้ว่ายังไงยาวไปไหม ยาวนะโอเคบายอ่ะส okay. uh, <to |notimestamps|> um uh, um ุรุตุชูรออายที่สิบเอ็ดครั أعوذ بالله من الشيطان الرجيمأم لهم ش ك ا ء شرعوا لهم م นี้มาเลมยาดมดิฮ์ล a ولولا كلمة الفصل ل ق ض ي بينهم <ت ص في ق> وإن الضالين لهم عذاب أليم <ت ص في ق> ตَ اظ ا ل م ي ن مشفقين مما كسبوه وا وهو واقع بهم <ت ص في ق> والذين آمنوا وعملوا الصالحات في رضات و الجنة ا لهم ่าขุมม้าเยาช้ ل ك ุนเงิน ل ้รับบิ ล ل า ك ัคยุบ ل ชร عباد ه الذين ะ م ن و ا وعملوا الصالحات لا أسألكم عليه أجرًا إلا المودة في القربى، و م ن ي ق ت ر ف حسن َ ة จดลหูฟีหะอศ ه ั้นั้นั้นั้นั้น أم يقولون َ افترى َ على ََ الله ِ كذبا َِ ف َْ ي شيء َ إ ل ّ ه ُ يختم َِ على َ قلبك ِ و يمح الله ا ل ب ا ط ل َ ويحق الحق بكلماته إنّه علِيم بذات الصدور ดิลอายัดที่ยี่สิบเอ็ดนี้นะครับหลังจากที่เราได้เรียนว่าหุจจะหลักฐานของพวกมุชริกีนมันฟังไม่ขึ้นอัลลอฮ์สุบฮานวะตะลามีหุจจะของพระองค์ที่ลบล้างคำกล่าวอ้างต่างๆของบรรดาพวกมุชริกีนเพราะฉะนั้นไม่มีอีกแล้วนะครับ ที่จะกล่าวอ้างว่าจะไม่ตามบทบัญญัติของอัลลอ์ทุกอย่างชัดเจนมากว่าศาสนาของอัลลอส์บ ب าน ن ه และนั้นมาจากพระองค์เป็นชรีอัตของพระองค์จะไปกล่าวอ้างว่าเป็นการคิดค้นขึ้นของท่านนาบีเองหรือเป็นไม่ใช่คำสอนมาจากอัลลอฮ์ ت ไม่มีหลักฐานใดๆเลยกระนั้นก็ตาม แม้ว่าถกเถียงกันจนสุดท้ายได้ข้อสรุปที่ชัดเจนแล้วว่าชั라ัดของอัลลอ์สุบฮานตะอลาเป็นศัจธรรมที่ถูกต้องคนเหล่านี้ยอมแพ้ไหมยอมตามไหมไม่ยอมตามไม่ยอมตามไม่ยอมรับชริัดของอัลลอ์สุบฮานาวตะอัลละลาตัลละตเลตั้งคำถา ตั้งคำถามตรงนี้ไม่ได้ต้องการคําตอบแต่เป็นการตั้งคําถามเชิญตําหนิตำหนิบรรดาคนที่ปฏิเสธช ريعة ของอัลลอฮฺอัลลอฮ์อัลลอฮฺมีศาสนาของพระองค์อายตดก่อนหน้านี้มันเป็นการโมก้าบาละมันเป็นการตรงกันข้ามกันจําได้ไหมอายัดก่อนหน้านี้ที่เราไปเรียนหลายข้บที่แล้วชาราอุลละฮฺมินัดดี อัลลอฮฺตั้ลลาเป็นผู้กำหนดศาสนามาให้กับบรรดา ن บีศาสนาของเราเป็นศาสนาที่อัลาลอฮฺกำหนดแล้วศาสนาของพวกเจ้าละ่ะใครเป็นคนกำหนดพระองค์ถามว่าอัมลาฮุมชุรอกกคนเหล่านี้มีภาคีใช่ไหมมีมีคนที่คอยกำหนดศาสนาให้กับพวกเขาใช่ไหมก็เลยไม่ยอมตามศาสนาของอัลลอฮฺไม่ยอมตามศาสนาของอัลลอฮฺเพราะ ตามศาสนาของใครศาสนาของบรรดาชูรอกับรรดาผากีของพวกเขาดูนะครับการอธิบายของอิมนุกเซีรท่านบอกว่ายังไงไอ้ฮุมลายัตต์บิอูนมาชาระัลลัลลัคมินะดีนีลัควอิมคนเหล่านี้พวกมุชริกนเหล่านี่ลายัตต์บิอูนมาชาระัลลัลลัค ไม่ได้ไม oh so, oh, um uh um ่ยอมปฏิบัติตามชัรีอะต์ของ Allah t a a ที่พระองค์ประทานลงมาแก่เจ้าอ้มุฮัมมัดศาสนาที่ Allah Taala ประทานลงมาให้กับท่านอบดมุฮัมมัดคนเหล่านี้ไม่ยอมตามแต่ไปตามใครเบลฮอฮะเบลจะติดตามน้ำาชัร์ะละหุมชียร์ีนุหมในัลจินนีัลอิน แต่คนพวกนี้กลับไปตามชร ي อาตหรือบทบัญญัติของบรรดาชัยตอนไม่ว่าจะเป็นชัยตอนจินหรือชัยตอนมนุษย์บทบัญญัติของพวกมุชริมบทบัญญัติของพวกผู้ปฏิเสธศรัทธามาจากไหนมาจากคนที่เป็นบรรดาชุราาักะอัลัยาดุบิลละปฏิเสธชร ي อาตของอัลลอฮ์แต่กลับไปยอมรับชร ي อาตของบรรดาชุราาักา บรรดาคนที่พวกเขายึดถือเป็นภาคีกับอัลลอฮฺซุบฮานาวะตาละนี่คืออาชญากรรมที่ใหญ่หลวงมากถ้ามองในแง่ของศาสนา ก, การปฏิเสธคำสอนของพระผู้เป็นเจ้าแต่กลับไปปฏิบัติตามสิ่งที่บรรดาชริกชุรกะเป็นคนกำหนดเนี่ยตัวอย่างอะไรบ้าง ตัวอย่างของการปฏิบัติตามชัยอนอะไรบ้างใน r อินุซีรนี่ได้ยกตัวอย่างเช่นมิน ت ح ر ي م م ا ح ر م و ا ع ل ي ه م م ن ا ل ب ح ي ر ة و ا ل س ا ئ ب ة و ا ل ص ل ة و ا ل ح ا م ت ح ي ل أ ك ل ا ل م ي ت ة و ا ل د م و ا ل ق م ا ر ن ح ذ ل ك م ن ا ل ظ ل ا ل ا ت و ا ل ج ه ا ل ة ا ل ب ا ط ل ة ا ل ت ي ك ا ن قد ا خ ت ع ه ا في ج ه ل ي ت ه م จากการวิเและการห้ามและการบูชาที่ไม่จริและคำพูดที่ไม่ถูกต้องเขาเป็นชั้นเรียนของมุสลิมอย่างเช่นไปห้ามสิ่งที่อัลลอฮฺบอกว่าฮัลแลห้ามกินอูดตัวเมียที่คลอดลูกเวลานั้นเวลานี้ห้ามกินสัตว์แบบนั้นห้ามกินสัตว์แบบนี้อะไรที่ฮัลลไปบอกว่าหรอมอะไรที่หรอมไปบอกว่าฮลลนี่คือชใคร ชั S <S ่รรัตของพวกมุสริกมไม่มีใน้าชั่รรัตสำหรตบ a l ล a h Taala ا ل ع ي ا ลล ا ل ل ه ว่ากันว่า ولو ละ كلمة الفصل لا قضي بينهم ท่านสมดุวะ Allah Taala ไม่กําหนดระยะเวลาชัดเจนเอาไว้แล้วว่าคนเหล่านี้จะต้องถูกลงโทษในวันกิยามัตเนี่ยพฤติกรรมนี้เนี่ยจริงๆแล้วสมควรจะได้รับโทษเลยในโลกนี้เป็นพฤติกรรมที่หนักมาก การเอาชเรียตอื่นมาเทียบเคียงกับชเรียตของ Allah Subhanaw t a า l a เนี่ยเป็นพฤติกรรมที่หนักมากสมควรที่จะได้รับการลงโทษแต่ว่า Allah Taala ะะะไม่ลงโทษเพราะอะไรเพราะพระองค์กําหนดแล้วว่ายังไม่ถึงเวลาทาั้งๆที่โทษนี้ถ้าจะลงตอนนี้เลยเนี่ยสมควรแล้วไม่มีอะไรที่สามารถจะบอกว่าไม่สมควรสมควรจะได้รับโทษแน่นอนแต่เพียงแค่ ยังไม่ถึงเวลาแค่นั้นเหองวะลาอุลากาลิมัตุลฟอสลิถ้าอัลาลอฮฺไม่กำหนดชัดเจนแล้วว่าวันอาคยรัตจะเกิดขึ้นเมาาื่อไรคนเหล่านี้จะต้องถูกลงโทษในวันเกียร์มัตแน่นอนว่าเราคุ้นเรบ่ยนะผมบทลงโทษของพระองค์จะลงมาณเวลานั้นเลยณนะเวลานี้เลยเพียงแต่ว่าในเมื่ออัลลอฮฺกำหนดไว้แล้วพระองค์ก็เลยประวิงยืดเวลาในการลงโทษพวกเขารอรับทีเดียวเลย นั่นก็คือในวันกิยามะข้อละยาดุเบลลาให้มันได้เลยในวันกิยามะพวกเขาจะเจอกับอะไรทรัฟวอลลมีนมุชฟิกีนว่าอินนัฟวัลลมีนละหุมอาซาบุอัลีมแท่จริงแล้วบรรดาคนที่ซอัลิมคนที of of ่มีพฤติกรรมแบบนี้อัลลอฮ์เรียกว่าซรลิมเป็นคนที่อยุติธรทำเป็นคนที่อยุติธรรมกับตัวเองเป็นคนที่อยุตีทำกับอัลลอฮ์ وإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَكَهْوَتَ ل ِ ر َ ب َِّ ا ل ل ْ ت َ ا ن ِ أَنْجِبْهُنَّ นَ ن ْ ك َ ر ُ و ن َ كَيَامَاتٍ ن َ و َ ا ن ِ ك َ ي َ م َ ا ت ي ن ت َ ر َ ض الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا ت َ ر َ ض الظَّالِمِينَ وَفِي ذَلِكَ الْيَوْمِ ت َ ر َ الظَّالِمِينَ أَنْفُسَهُمْ ب ا ل ك ف ر ِ و ا ل م ا ص ِ م ش ไอขวัยีนแะจิลีนอิหม่าค سب อันยุ่งเกบอะ่นในวันกี่ยมัติเนี่ยบรรดาคนที่ซอเลมตัวเองด้วยการทําผิดด้วยการไม่ยอมรับช ريعت ของอัลลอฮ์ด้วยการฝ่าฝืนอัลลอฮ์ซาเลมแต่ใครที่ฝ่าฝืน Allah, อัลลอฮ์กำลังซอเลมกับตัวเองใครที่ละเมิดข้อห้ามของอัลลอฮ์แม้ว่าเขาจะมีความสุ ข, ขกับการทําข้อห้ามนั้นจริงๆแล้วเขากําลังทําร้ายตัวเอง เราตละเรียกคนที่ทำผิดคนที่ทำมัซฮีย์ว่าเป็นบรรดาคนที่ซอเลมซอเลมใครอ่ะถ้าไม่ซอเลมตัวเองก็ซอเลมคนอื่นมัซีย์นี่มันมีอยู่สองอย่างนี้แหละเราทำผิดต่อ a l อ a a l l a แต่ละได้รับอะไรยับอัลซาเมีนว่าอินซาเลมีนละหุมอาดับแอลิมบรดาคนที่ซาเลมนั้นจะได้รับการลงโทเจ็บปวด ดูสภาพของคนเหล่านี้คนที่ไม่เอาช ريعت ะอัลอฮฺต้าลาเป็นคนที่ซาลิมกับตัวเองเนี่ยอนวันกิยามัตพวกเขาจะเป็นยังไงตอรับซาลิมีนมุชฟิกีน่มิมมะคัศบูพวกเจ้าจะได้เห็นคนที่ซาลิมเหล่านี้เนี่ยมุชฟิกีน่าอย่างนี้ข้ออเกิดความกังวลวันกิยามัตเนี่ยเร า, เราทุกคนก็กังวลไม่มีใครที่ไม่กังวลแต่คนที่เป็นคนซาลิมเนี่ย แน่นอนว่ายิ่งกว่าความกังกวลของพวกเขาไมชฟิกินไม่มีทางรอดรู้สึกกลัวเองแล้วว่าไม่มีทางรอดคออีฟีนกลัวสุดขีดวาจลีแล้วก็อับอายเสียดายเสียใจกับพฤติกรรมที่ตัวเองทำมิมาแกเสบูจากสิ่งที่พวกเขากระทำแต่ว่าความกลัวนั้นสามารถ ที ى ي ي. ่จะขัดขวางการลงโทษอัลลอได้ไหมวะววอมบิฮิมจะกลัวอย่างไรจะอับอายอย่างไรจะเสียใจอย่างไรไม่สามารถจะหนีพ้นจากการลงโทษอัลลอฮฺ س, س, س ب س ا إ ح ะได้เลยอัลลอัลลฮอัลลอฮอัสฟรุลลอฮัตบิล์ฮลวะลาวะตะอิลลบิลลสันๆแต่ว่า ให้การเตือนที่ค่อนข้างจะหนักมากมุชฟิ قي นกลัวแต่เป็นยังไงมุชฟิ قي นแต่ว่ายังไงวะฮุวาะวะกิ่งบิฮิมยังไงก็จะต้องเจะอ้าุบิลลาฮิมันดาริกในขณะที่บรรดาผู้ศรัทธาอัลลอฮฺประทานให้กําลังใจให้กําลังใจผู้ศรัทธาตำหนิคนที่ปฏิเสธประนามคนที่ไม่เอาชเรอันกับอัลละฮฺให้กําลังใจผู้ที่ยอมรับ ให้คุทาล่าใจผู้ัสัดท้าว่าอย่างไร والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنة يا الله ั ن دفوس التاء لا تهمم د ม عمل صالح พวกเขาเหล่านั้นจะได้อยู่ใน ส, นสวนสวรรค์รูดดทประหูพ์ของคำว่าราดด์เคยได้ยินไหมคำนี้อ่าใครไปอมรหดบ้าง นะไปอุโมงค์อะไรจะต้องไปมัสยิดนบีต้องไปละมที่ไหนละมาดในเราวดะราวดะเนี่ยในมัสยิดนบีมันจะมีเราอวดะที่เขาปูพรมสีขาวซึ่งมันต่างพรมในมัสยิดนบีเนี่ยจะเป็นสีเดี๋ยวนี้สีอะไรไม่รู้สีแดงหรือว่าสีอ่าสีอะไรสักอย่างในนี้แหละสีน้ําเงินหรือว่าสีอะไรแบบนี้แต่พอไปที่เราวดะในเขตเราวดะเนี่ยอทางการซาอุดีเขาจะ ทำพรมให้มันต่างไปจากส่วนอื่นๆของมัสยิดเพื่อให้รู้ว่าเป็นเขตของเราดอท่านนาบีบอกว่ามาไปในะฮุจรอตีวอมิมบรีราดะตุนมินริยาดลจั น, นะาะอคมากาอาลาลาละลัยซัลลตวะสัลลมเขตระหว่างบ้านของฉันและมิมบร์ของฉันเนี่ยเป็นสวนหนึ่งจากสวนทั้งหลายของของสวรรค์เพราะฉะนั้นราวดแะแปลว่าสวนหลายๆสวน ผู้ศรัทธาจะอยู่ในสวรรค์หลายๆสวนคในสวรรค์อัลลอฮุมจัอฮ์อัลลมจัลลัลออยู่ในสวรรค์ล้าเป็นอะไรอีกลหุมัชชานาอินดาอบบิมอยากจะได้อะไร Allah จะให้หมดเอ่อโอะในดุนียอาจจะไม่ได้เนี่เราพูดแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมว่าบางทีผู้ศรัทธาเนี่ยอยากจะไปอาครอห์แต่ก็บางก็มีดุน ي ة มาคอย คอยจุดลากอยู่เพราะยังต้องอยู่ในดุนยาไงยังต้องหาริสกียังต้องหาเลี้ยงชีพตัวเองในดุนยาอยากจะไปอัคคีรักษ์นั่นแหละแต่ก็ต้องหาดุนยาด้วยในโลกดุนยา t h i สู้ดุนยาดุนยาสู้กลับเห <c oughs> นไ่คยกับดุนยาไม่เป็นไรนะครับเ <c oughs> วลาที่เราโฟกัสกับอัคคีรักษ์อินชาอัลลอฮ์นะดุนยาเนี่ยเราอยากจะได้นูน่นอยากจะได้นี้อัลลอฮ์ให้บ้างไม่ให้บ้าง แต่ในวันอคัคราอยากจะได้อะไรให้หมดไม่มีคำว่าในดุนี้นี่บางทีเราแต่ละอาจจะไม่ให้เราด้วยฮิกมาบางอย่างยังไม่ให้ก่อนให้แค่นี้พอขอหนึ่งร้อยให้สิบบาทยังไม่ห้จะให้ที่ไหนจะให้ในวันอคัคราวันอคัคราเนี่ยขอหนึ่งร้อยให้ล้านหนึ่งให้เยอะกว่าที่เราอยากจะขอ Allahu Akbar. นี่คือผู้ศรัทธานะครับละหุมมายาชาอูน่าอินดารอบบิมพราะฉะนั้นทําหน้าที่ของเราให้ดีเป็นผู้ศรัทธาเป็นผู้ที่อัมัลสอและเป็นผู้ที่ยอมรับ Shariah ของ Allah. แล้วเราจะได้รับสิ่งที่เราต้องการนาในดุ น, ยนีย์นี้เราอย่าทําสิ่งที่ตัวเองต้องการจนกระทั่งลืมสิ่งที่ Allah ต้องการในดุนีย์เราต้องทําสิ่งที่อล Allah ต้องการ a l l ต้องการอะไรจากเราทําในดุนีย์นี้ให้เยอะที่สุดเพราะในวันอัคคีรอห์เนี่ย Allah ตะลอดจะให้ทุกอย่างที่เราต้องการเข้าจใจหรือยังในดุนีย์เนี่ยเราต้องการอะไรฝืนๆไว้บ้างเน้นความต้องการของใครความต้องการของ Allah ตอนที่เรามีชีวิตอยู่ในดุนีย์เนี่ยเน้นความต้องการของ Allah ชัรีอะฮ์ของ Allah ก็คือความต้องการของ Allah อ๋อถ้าเราต้องการให้เราดำรงชร ي อัตของพระองค์ในโลกดุน ي ة ทำตามพระองค์เพราะอะไรเพราะพอถึงวันอาคคีระห์เนี่ยอัลลอฮ์จะตามใจเราทุกอย่างเลยจะเราต้องการอะไรพระองค์จะให้หมดตรงกันข้ามกันถ้าในโลกดุน ي ة เนี่ยเราต้องการอะไรเราเอาหมดไม่สนใจความต้องการของอัลลอฮ์อย่าไปขอพระองค์ในวันเกียรติไม่ได้ไม่มีวันได้ละในวันอัคคีรอห์ ถ้าใช้ชีวิตในดุนยาตามความต้องการของใจตัวเองพอถึงวันอาเครอไม่มีอะไรที่เราจะได้อีกจากพระองค์อลลอฮ์สุลตานอัลตะลาละวะลัยาดุบิลละฮะมินดาริเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะได้ยินคานี้ละหุมมาเยชะอูนะอินดารับบิฮิมพวกเขาเหล่านั้นจะได้ทุกอย่างที่พวกเขาต้องการณ์พระองค์อัลลอฮ์ณพระผู้อภิบาลของพวกเขาปฏิบัติสิ่งที่พระองค์ต้องการในดุนยาให้ดี แล้วเขาจะได้ยินคํานี้ในวันอัคระอันอันอัลลอฮ์นี่แหละคือความโปรดปรานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วอ a l l ล h ให้ทุกอย่างกับเราเนี่ยมีอะไรอีกอะที่เราอยากจะได้มากกว่านี้ก็เอยากจะได้อะไรก็ให้หมดอ่ะมันไม่ยิ่งใหญ่ได้ยังไง سبحان Allah ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعمل الصالحات اللهم جعلنا من الذين آمنوا و ا ج ع ل ن ا من, ال من الذين وا. الذ ع م ل الصالحات الله ك ب ر นี่คือข่าวดีะเาว่านี่คือข่าวดี ذلك الذي يبشر ب ش ر الله ب ا د ทั้งหมดนี้คือข่าวดีที่อัลลอแจ้งให้ทราบ กับบรรดาบ่าวของพระองค์อ ah ัลฮัมดุลิลลา์อิชช่อัลลอนะครับนั่นก็ค ah e ือบรรดาบ่าวของพระองค์ที่เป็นผู้ศรัทธาและเป็นผู้ที่อามัลซอเละแค่นี้แหละถ้าเราอยากจะได้สิ่งที่ Allah ตรเตรียมเอาไว้ให้กับเราเสริมความศรัทธาของเราปฏิบัติอามัลซอเละของเรารักษาความศรัทธาของเราให้ดี มุ่งมั่นพยายามทําอามัลซอลแลให้มากที่สุดนะครับโดยความศรัทธาเนี่ยมันง่ายที่สุดแล้วอาบาลซอลแลเนี่ยอาจจะยากหน่อยมันต้องทําแต่ความศรัทธาเนี่ยมันอยู่ในใจนะครับมุขมินเนี่ยต้องเกี่ยวโยงความศรัทธาสามสามกเรียกว่าสามองค์ประกอบสามองค์ประกอบความศรัทธาด้วยใจความศรัทธาด้วย วาจาและศรัทธาด้วยอวัยาวะอามัลซอละเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือส่วนหนึ่งจากคำว่าอัลีมานนั่นแหละมันแยกกันไม่ออกหรอกมันแยกไม่ออกเพราะท่านอับดุ ล, ลสลามบอกว่าอัลีมานบดิดะอุนวสบอุนอาชูบะความศรัทธานั้นมี73กว่าคะแนนอัลลอฮฺละอิลาห์อิลลัลลอฮ อ ي มา ن ที่สูงที่สุดก็คือละอิละฮะอิละลละละอิละฮะอิละลละก็คือความเชื่อในใจและการพูดออกมานี่สูงที่สุดเห็นไหมคำพูดก็เป็นและท่านนาบีก็บอกว่าอิมาอัลเดนะอิมาตุลอาดะการตรีอิมานที่น่าจะเล็กหรือว่าต่ำที่สุดระดับต่ำที่สุดก็คือการเอาสิ่งที่เป็นขยะสิ่งที่ก่อความรด รถกวนความเดือดร้อนที่เห็นอยู่บนถนนเห็นกิ่งไม้เห็นอะไรที่มันขวางรถขวางทางเดินของคนเราเอาขยะเราเอาสิ่งนั้นสิ่งกีดขวางนั้นออกไปจากถนนเนี่ยท่านอาบีบอกว่าเป็นหนึ่งในแข น, แนงของความศรัทธาเพราะฉะนั้นไฮเดสนี้เป็นหลักฐานที่บอกว่าการปฏิบัติเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธาด้วยเพราะฉะนั้นอนาาลัลมาซอละเนี่ยเราจะแ ย, ยกแต่ความศรัทธาไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธานั่นเอง แต่จะบอกว่าศรัทธาด้วยใจเนี่ยสำคัญที่สุดหัวใจของเรากับความศรัทธาเนี่ยมันจะต้องไม่บิดไม่บินไม่แตกมันจะต้องร0อยเปอร์เซ็นอ่ะแม้ว่าข้างนอกเราอาจจะทำไม่ได้เราอาจจะเหนื่อยที่จะปฏิบัติอาลัยอื่นๆแต่ใจของเราเนี่ยมันมันไม่มันไม่ไม่มันไม่ต้องออกแรงอ่ะเข้าใจไหม การยึดมั่นของเราต่ออัลกีนัสตุเตฮีเนี่ยมันต้องเต็มอยู่ตลอดอ่ะมันง่ายที่สุดอ่ะเพราะฉะนั้นหัวใจนี่จะต้องเต็มอยู่ตลอดเวลาเมื่อไหร่ก็ตามที่หัวใจของเราเริ่มจะลดลงต้องรีบเพิ่มให้มันเต็มอส่วนอามัลซอลห์ที่เป็นการปฏิบัติการพูดก็พยายามให้มากที่สุดเท่าที่เราสามารถจะทาได้ละอองสาอ่ะ قُلْ ل َ أ َ س ْ أ َ ل ُอล م ْ عَلَيْهِ أَجْرًا ที่ท่านนาบีเรียกร้องให้คนเหล่านี้ยอมรับ s h a r i a ของ Allah ต า, าเนี่ยคนเหล่านี้ไม่ยอมรับเนี่ยเพราะกลัวว่าตัวเองจะต้องจ่ายค่าตอบแทนให้กับท่านนาบีใช่ไหมไม่ต้องกลัวเราไม่ได้ต้องการค่าตอบแทนอะไรเลยถ้าเจ้าศรัทธาผลดีเกิดขึ้นกับใครเกิดขึ้นกับท่านนาบีมหามหรือไม่เกิดผลดีกับตัวเองเพราะฉะนั้นอย่าห่วงว่าเราจะขอค่าตอบแทนไม่มี أ أ عليه ้าอยากุะลยอฺจระขอเนะอยฺรงเดาะอิลลลมวฺดดฟิลกุรบะขอความรักในฐานะที่เราเป็นญาติกันได้ไหมเข้าใจไหมครับเพราะอะไรเพราะถ้าเนี่ยจริงๆแล้วคำว่าอลมวดดฟิลกุรบะเนี่ยมีการตับศีรที่ค่อคนข้างจะหลากหลายจากบรรดาอัลมอฮฺะบางก็ทับซีรว่า ขอท่านนบีขอว่าขอในฐานะที่เราเป็นญาติกันเนี่ยกับพวกมุสลิมีนี่ท <oons> ่านนบีเป็นญาติกันไหมอับ <sh ilar pinpoint> <BSCRI> <rebbe> <men> ูุลฮับอบดุลยานเป็นญาติกันทั้งเปขอสักหน่อยเถอะในฐานะที่เราเป็นญาติกันเนี่ยขอความรักความเอ็นดูหยุดทำร้ายกันได้ไหมแค่นั้นแหละที่ท่านนบีขอให้หน่อยได้ไหมไม่ได้ขอค่าตอบแทนหรอกแต่ขออย่ามาทำร้ายกันเลยฉันขอทำหน้าที่ ในการเชิญชวนในการบอกสิ่งดีๆเนี่ยแล้วพวกท่านก็อย่ามาทำร้ายฉันแค่นี้ถือว่าเป็นค่าตอบแทนไหมไม่ต้องไม่ใช่ค่าตอบแทนหรอกขอขอให้ฉันได้ทำหน้าที่ของฉันอันนี้คือหนึ่งในจำนวนตับซอบ้างก็บอกว่าอิลลมวาดะะฟิลกุรบานี่หมายถึงว่าสิ่งที่ขอก็คือขอให้คนเหล่านี้เนี่ยศรัทธาต่อ a l l ก็เหมือนเดิมนะครับเน้นไปที่การศรัทธาต่ออัลลอฮฺสุบะฮาะาลาให้คนเหล่านี้ได้ใกล้ชิดอัลลอฮฺสุบะฮาะอาลาขอแค่นี้แหละไม่ได้ขอเงินไม่ได้ขอทรัพย์สินพวกมุชลิกินมานำเสนอจะเอาอะไรเราจะให้หมดอั น, นบีไม่ได้อยากได้สิ่งเหล่านี้นะครับทำหน้าที่ทั้งหมดนี้ด้วยคำสั่งจากอัลลอฮฺสุบบะฮาะาลาเพื่อหวังดีกับบรรดาคนที่เป็นเครือญาติเป็นคนกลุ่มชน ของตัวเอง nah อ่าอัลกอันอายนี้เนี่ยมันสอนเราด้วยนะสอนเรายังไงสอนเราในฐานะที่เราเป็นคนที่อาจจะเป็นคนที่เชิญชวนคนอื่นไปสู่ความดีเราต้องใช้สูตรนี้ด้วยในการเชิญชวนคนอื่นเวลาที่เราบอกให้คนอื่นมาทำดีมาปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีสุลต่านละฮะซัลลัมต้องบอกเขาด้วยความเป็นห่วง ต้องบอกเขาด้วยความรักอย่าไปซ้ำเติมนะอย่าอาศัยความรู้สึกที่ทำให้เขายิ่งห่างจาก Allah ไอ้เอาต้องให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าต้องการให้เขาเนี่ยยิ่งใกล้อัลลอ์อ่านี่คื อ, อเคล็ดลับหรือว่าบทเรียนที่เราได้จากข้อนี้อินละม้วดดะจะเป็นคุรบะไม่ต้องไปหวังอย่างอื่น ที่เราพูดกับเขาทั้งหมดไม่ใช่ที่จะไปซ้าเติมไม่ใช่ที่จะไปต่อว่าไม่ใช่ที่จะไปด่าเขาไม่ใช่สิ่งที่เราพูดกับเขาเนี่ยต้องการให้เขาเข้าใจแล้วเขาจะได้ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์อัลลอีกฮ์บอกเขาไปอีกว่าใครที่ทําดีอัลลอฮ์จะให้เพิ่มจะให้เพิ่มจะให้เพิ่ม แล้วมันมีเหตุผลอะไรที่จะไม่ยอมรับ อ, อัลลอฮฺมีพยายามพูดนะพยายามพูดให้คนเหล่านี้เนี่ยหันกลับมายอมรับอัลลอฮฺเพราะเวลาที่เรายอมรับอัลลอฮฺเราทําดีเพื่ออัลลอฮฺและตาลัไม่นิ่งนอนไม่นิ่งนอนใจพระองค์ให้เยอะกว่าที่ได้รับอยู่ณปัจจุบันนี้อีกนะใครก็ตามที่ทําความดีมันยะกระฟังสันตัน นั่นดล้วเฟีฮาฮุสนาเราจะเพิ่มความดีให้กับเขาอินนัลลอฮะก็ฟูร์นชักกรอสส์ออดีเน่ยท่านธิบายว่ายังงนั่นจัดล้วเฟีนั่นดล้วเฟีฮาฮุสนาใจที่ทาความดีเนี่ยเราจะเราจะเพิ่มไ้เนี่ยเพิ่มให้ยังไงด้อันยิชราห์ัลลอฮาดร์ทให้หัวใจของเขาเปิดกว้าง วยุวยยศอิรัมร์ทำให้เรื่องกิจการต่างๆของเขามีความสะดวกง่ายได้ชีวิตง่ายได้นี่คือการเพิ่มจะลัตอัลเวลาที่เราทําดีหนึ่งอย่างมันอาจจะเป็นสาเหตุทําให้เราได้ทําดีอีกอย่างต่อๆกันไปวยะซดะดูบิฮะอามะลุลโมินเวลาที่เราได้ทําดีหนึ่งอย่างได้ทําอย่างที่สองได้ทําอย่างที่สาม ความดีของเราก็เพิ่มพูนอยู่สม่ำเสมอ ม, ม, มาอลฮ์เพราะฉะนั้นความดีต้องมันทํานะครับอินนัลลอฮะรฟูรุนชาคูรแทจริงแล้วอัลลอฮฺะ ع ا เป็นผู้สรงอภัยที่ผ่านมาดื้อยังไงแต่ตอนนี้กลับตัวแล้วยอมรับแล้วอัลลอฮฺ ت ع ا ก็จะอภัยชาคูรนอกจากจะอภัยให้แล้วเนี่ยพระองค์ยังขอบคุณขอบคุณที่เรากลับตัวขอบคุณที่เราตเราตาบัต ขอบคุณที่เราเป็นมุกมินม ashAllah พระองค์จะให้ผลตอบแทนกับเราอย่างมากมาย لا إله إلا الله يغفر الذنوب ويستر العيوب ويشكره يتقبل حسنات ويضاعفها أبا سنت كسير พระตะเราจะรับความดีของเราแล้วพระองค์ก็จะทําให้มันเพิ่มขูนมากขึ้นอีกหลายเท่าทวีคูณนี่คือความหมายของคําว่าชคร มีข้ออ้างอะไรอีกไหมที่จะไม่ยอมรับไม่มีแล้วนะจริงๆนะแต่เพอเอิญยังมีข้ออ้างอีกยังไม่หมดข้ออ้างว่ายังไงอามีกูลูนต ف ت ت ر ا على الله كذبا คุณเหล่านี้กล่าวหาว่าท่านนบีสุลตาร์ฮฺอะลัยวะซุลลัมนั้นกุเรื่องเท็จต่ออัลลอฮ์นะกุว่าเป็นคําพูดของอัลละฮ์ทั้งๆที่มันไม่ได้จากอัลลอฮ์นี่เป็นคํากล่าวหาของใคร สังพวกมัชูริกีอัลลอฮฺอ า, าละก็สั่งให้ท่านนบีตอบอ่ะพระองค์ตอบเองเลยว่าอินยาชาอิลลัฮฺยัคติมอัลากับเป็นไปได้อย่างไรที่ท่านนบีที่มกกุฮัมมัดสุลลัลฮฺอัลสลัมจะกุเรื่องเหล่านี้ขึ้นมาเพราะท่านนบีไม่ใช่คนชั่วคนโชดถ้าอัลลอฮฺจะให้ท่านนบีเป็นคนชั่วพระองค์ทําได้ไหมพระองค์บอกว่าถ้าพระองค์ต้องการนะพระองค์จะปิดตราบนหัวใจของมุฮัมมัด ปิดตราหวัวใจของเจ้าอ้อฮอัลมุให้เป็นคนชั่วเพราะว่าคนที่จะกูเรื่องแบบนี้ได้นี่มีแต่คนชั่วเท่านั้นซึ่งท่านอบีมุฮหมัดเป็นคนชั่วไหมไม่ใช่คนชั่วแล้วท่านจะพูดอย่างนี้ได้ยังไงเป็นไปไม่ได้เข้าใจคำพูดนี้ไหะครับตักกะเนี่ยตักกะที่เราตะลาว่าอินยาชาอิลละยาฮติมอลาคัลบก ถ้าอัลลอฮฺจะให้ท่นานนบีทำอย่างนี้จริงๆเนี่ยพระองค์ประทับบนใจของบนหัวบนตราของตราประทับปิดผนึกหัวใจของมุฮัมมัดให้เป็นคนชั่วตั้งนานและวถึงจะได้กล้าพูดอย่างนี้แต่ไม่มีใครบอกว่ามุฮัมมัดเป็นคนชั่วมุชริกีนเองก็ไม่กล้าที่จะบอกมุฮัมมัดเป็นคนชั่วไม่มีใครพูดว่ามุฮัมมัดเป็นคนชั่วมุชริกีนเองอะ่ะไม่ศรัทธาแต่ท่นานนบีมุฮัมมัดเนี่ยกล่าวหาว่ามุฮัมมัดเป็นคนชั่วไหมนิสัยชั่วไหมไม่มี ไม่มีใครบอกว่าเขาเป็นคนที่มีนิสัยชั่วอาจจะกล่าวหาอย่างอื่นแต่ไม่ได้กล่าวหาว่าเป็นคนชั่วเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ยังไงคนที่พวกเจ้าทุกคนยอมรับว่าเป็นคนดีจะกล้าทําเรื่องชั่วช่วแบบนี้คนที่ทําเรื่องปุ๊แท๊ต่อนนั้นเอาวะตาลาได้เนี่ยมันจะต้องชั่วขนาดไหนแน่นอนว่าคุณลักษณะเหล่านั้นมันไม่มีบนตัวของท่านนาบี Muhammad صلى الله عليه وسلم เพราะฉะนั้น จะมากล่าวหากันอย่างนี้เนี่ยถูกแล้วหรือแน่นอนว่าเป็นคํากล่าวหาที่ไม่สามารถจะเอามากล่าวอ้างได้นี่คือคําตอบจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى และด้วยคําตอบนี้แหละวายมอุลลอหุลบาติอลอัลลอฮ์ตาลาลบล้างความเท็จจนหมดไม่ว่าพวกมุสลิมจะอ้างอะไรอัลลอฮ์ตาลาตอบหดอัลลอฮ์ตาลาลบล้างหมดวายฮิคุลฮักกาบิคัลิมัติ พระองค์ทำให้สัจธรรมของพระองค์นั้นยืนหยัดโดดเด่นชัดเจนด้วยพระพจนาะด้วยคำพูดด้วยองค์การด้วยวะญญาของพระองค์อินนหูอาลีมุบิดะจิสุดูแท้จริงแล้วพระองค์ทรงรู้ดีถึงสิ่งที่อยู่ในหัวอกของพวกมุชริมไม่ว่ามุชริกนจะคิดอะไรแล้วเอาออกมากล่าวหาท่านนาบีพระองค์อลัลลตะฺารรู้ดีและพระองค์ก็ตอบหมดว่าสิ่งที่พวกเจ้าคิด ไม่เป็นความจริงไม่เป็นความจริงไม่เป็นความจริงไม่มีช่องทางที่จะให้คนเหล่านี้ปฏิเสธชร ي อาตของอัลลอฮฺสุบฮานาวตาละ ى, สัจธรรมที่เป็นว่าอยู่มาจากพระองค์ได้มีอยู่ทางเดียวเท่า น, นั้นก็คือยอมรับนะครับแล้วเมื่อไรก็ตามที่มนุษย์ยอมรับชร ي อาตของอัลลอฮฺให้เขารอข่าวดีได้เลยเขาจะได้รับสิ่งดีๆจากอัลตตาละอย่างแน่นอนนะครับ แม่ว่าเราจะเคยทําผิดมาแค่ไหนจะเคยดื้อดึงมาแค่ไหนเมื่อไรก็ตามที่เราหันกลับมายอมรับคำสอนของอัลลอฮฺสุบัยน่าอัลต้าลาอัลลอฮฺสุบัยนาจะอภัยโทษให้กับเราและอัลลอฮฺสุบัยนาจะเพิ่มสิ่งดีๆให้กับเราอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะเรียร้องนะครับพวกเราทุกคนหรือคนอื่นๆก็ตามนะครับอัลลอฮฺสุบัยนาประทานชรยอะตินี้ลงมาเพื่อเป็นของขวัญให้กับพวกเราทุกคน ลองศึกษาดูด้วยใจเปิดกว้างและลองคิดดูไตรตรองดูและยอมรับในชรอัของพระองค์แล้วเราจะได้รับข่าวดีจากพระองค์อินชาอัลลอ์ในโลกดนี้และในวันอัครต่อไปอัลลอฮ ت ل ى ع ل م ف ق ن ا ل ل ه ي ا ك م لما يحب و ض ص ل الله على نبينا محمد ع ل ى آله و ص ح و س ب ح ك ا ل ع ز ي ف و ن وسلام على ا ل م ر س ل